จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนได้ตั้งใจการมาวัด เพื่อมาริอมต้นปีใหม่ให้เป็นปีมงคลเป็นปีที่จะนำมาซึ่งความสุขความจเจริญด้วยการมาวัด เ, เพื่อมารับแสงสว่างแห่งธรรมที่เป็นแสงสว่างยิ่งกว่าแสงของดวงอาทิตย์เพราะแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี้มีสว่างเพียงครึ่งครึ่งวัน คือแสสว่างเพียงครึ่งเดียวคือตอนกลางวันพอตอนกลางคืนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็หายไปหมดความมืดก็คลืบคลานเข้ามาแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้จะทำให้ใจของเรานี้สว่างสวยัยไปตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันมืดจะเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงการที่เราจะรับแสงสว่างแห่งธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ได้เราต้องศึกษาคือเราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำ อะไรกันอย่างไรเพราะการกระทำของเรานี่แหละเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์เลือความสุขจะนำมาซึ่งความเจริญเลือความเสือ่อมถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะถูกความหลงที่เป็นเหมือนความมืดมาหลอกใจของเราทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัว เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขแต่ถ้าเรามีการศึกษาได้น้อมนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจของพวกเราใจของเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นสุขว่าสุขเห็นทุกข์ว่าทุกข์เห็นว่าบุญว่าเป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญคือสวรรค์ชั้นต่างๆเห็นว่าบาปเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ในระดับต่างๆนี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่จะเกิดจากการฟังเทศ์ฟังธรรมประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่ง เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองคำสอนที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาภายในใจเพิ่มมากขึ้นสามจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้สจะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิที่เห็นกับตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆและหําทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขนี่คือ สิ่งที่เราควรที่จะน้อมเข้ามาสู่ใจเพราะจะเป็นเหมือนแสงสว่างพาชีวิตของเราที่ยังมืดบอดด้วยความโลภความโกรธความหลงให้เราได้หลุดออกจากอิทธิพลของความหลงของความมืดบอดเพื่อที่เราจะได้เห็นทางที่แท้จริงทางที่จะนำพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตอนนี้พวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่เพราะเรายังมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเก่นรถิยต่างๆนี่เป็นความสุขกัน พวกเราจึงเดินเข้าหาลาบยศสารเสรินหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆกันแต่พอเราหามาได้แล้วแทนที่เราจะได้ความสุขเพียงอย่างเดียวเรากลับจะต้องมาเจอความทุกขของลาบยศสารเสรินของรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆเพราะอะไรเพราะลาบยศสารเสรินรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆที่พวกเราเข้าหากันนี้ มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เป็นของถาวรมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็มีความสุขกันเวลาที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเราก็มีความทุกข์กันเช่นเวลาเราได้ลาบได้เงินได้ทองมาเราก็มีความสุขกันแต่พอเงินทองมันหมดไป เราก็จะมีความทุกข์กันแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะอะไรเพราะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็เอาไปใช้กันเมื่อใช้พอใช้หมดมันก็ทุกข์กันเลยถ้ามีเงินแล้วเก็บไว้ไม่ใช้มันก็จะไม่ทุกข์กันแต่เรามีเงินเพื่อที่จะเอามาใช้กันเมื่อใช้มันก็ต้องหมดเมื่อหมดมันก็ต้องทุกข์ ก็ต้องหาเงินใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเราไม่มาหาไม่มาหาเงินไม่มาเพึ่งเงินทองเราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องของเงินทองมาหรือไม่มาพวกเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ต้องมีเงินทองความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่การทำใจของเราให้สงบเท่านั้นเองถ้าใจของเราสงบแล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันเพราะตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็สอนให้เราหาเงินกันเพราะทุกคนคิดว่าหาเงินแล้วจะมีความสุขกันแต่เราลืมไปเวลาที่เราต้องจากเงินทองไป เวลาเงินทองจากเราไปมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากจะให้เกิดแต่มันก็ต้องเกิดเพราะว่าเรากับเงินทองนี้จะไม่สามารถอยู่ด้วยกันไปตลอดได้<อ>เช่นเดียวกับยศคือตําแหน่นตงต่างๆสถานภาพต่างๆ จ, จะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมันก็มีวันเสือ่อมมีวันหมดได้ เช่นเวลาร่างกายตายไปจะเป็นอะไรก็ต้องหมดไปสรรเสริญคือคำยกย่องต่างๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันเขาก็ยกย่องสรรเสริญเราแต่บางวันเขาก็กลับมาด่าเราพอเขาด่าเราเราก็เสียใจทุกข์ใจเพราะว่าเราอยากจะให้เขาชมเราอย่างเดียวอยากให้เขาสรรเสริญเราอย่างเดียว แล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปหากันในที่เราไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแหล่งบันเทิงต่างๆก็ต้องมีตาหูจมูกวินกายต้องมีเงินมีทองพาไปถ้าวันไหนไม่มีเงินทองหรือวันไหนร่างกายไม่สบายรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยให้ความสุขกับเราก็จะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ นี่คือการเข้าหาความทุกข์ต่างๆโดยที่คิดว่าเป็นความสุขเพราะเราถูกความมืดบอดหลอกเราความหลงหลอกเราให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแต่ถ้าเรามาหาพระพุทธเจ้ามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทอง ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบถ้าพวกเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบเราจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และเราจะไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอด แม่ร่างกายนี้ตายไปความสุขอันนี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่งของพวกเราพวกเราทุกคนคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงความจริงนี้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายไปนี้มันจะแยก ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันจะแยกออกจากกันเลยไม่เชื่อลองปล่อยให้คนตายปล่อยทิ้งไว้เฉยๆดูต่อไปคนตายแล้วก็ต้องขึ้นอ่นแล้วเดี๋ยวน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาลมก็ละเหยออกมาไฟก็หายไปที่เหลือก็กลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเรา แต่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปร่างแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจที่สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้อย่างวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาวัดกันเราคิดว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เราต้องมาทําบุญที่วัดกันเราก็เลยสั่งให้ร่างกาย ไปเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆพอถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาที่วัดนี่คือร่างกายกับใจเป็นสองส่วนเป็นคนละคนกันเราเป็นใจร่างกายเป็นผู้รับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจไม่รู้ใจไปคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยต้องทุกข์กับเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็หวาดกลัวกันทุกกันเพราะไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายแต่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายกันไปแต่พวกเรานี้สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรม ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลงไฟเป็นของที่ของชั่วคราวแต่ใจนี้เป็นของถาวรใจนี้ไม่มีวันตายถ้าร่างกายตายไปใจก็ไปต่อ ไปบุญไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นผลบุญก็ไปไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเป็นผลบาปก็ไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปนรกกันแต่จะว่าแม้ว่าจะไปไหนก็ตามไปสวรรค์หรือไปอบายพอบุญกับบาปที่ส่งไปมันหมดกำลังเราก็กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ แล้วก็กลับมาทำบุญทมบาป ก, กันใหม่แล้วก็มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกันใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสมค้นพบให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายและเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็มีความสุขได้ความสุขของเราเกิดจากการทำใจของเราให้สงบ ถ้าเรามาหัดนั่งสมาธิกันมาหยุดความคิดกันมาทำใจให้สงบเราจะมีความสุขมากกว่าสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็มีความสุขได้ ตอนนี้พวกเรายัางต้องใช้ร่างกายหาความสุขกันพอรู้ว่าร่างกายจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เราก็เลยทุกกันกลัวกันนั้นเป็นเพราะว่าเราหลงไปยึดไปพึ่งร่างกายเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาพึ่งแสงสว่างแห่งธรรมเป็นที่พึ่งกันแสงสว่างก็คือธรรมังสารนางกัจฉามิ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกนำมาสั่งสอนพวกเราคือพุทธังสารนังกัจฉามิสังคังสรนังกัจฉามิถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาวกแล้วปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนคือให้เรามาสร้างความสุขทางใจกันมาหัดนั่งสมาธิกันมารักษาศีกันถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุข และเราก็จะไม่ต้องพึ่งรากยศสารเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาสิ่งเหล่านี้จากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขอยู่กับเราไปตลอดเวลาคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พวกเราจะ ได้รับจากพระพุทธศาสนาจะทำให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้ stands, ททท crochet, จริงอยู่ที่ตรงไหนความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนความทุกข์ที่แท้จริงก็อยู่ที่ตรงที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันนั่นเองอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราทุกข์กันแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหน เราก็เลยยอมทุกกับราบยศสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากมันเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลามันยอมให้เบ็ดตะขอเบ็ดเกี่ยวปากมันเพราะมันอยากจะกินเหยื่อชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพวกเราก็เป็นเหมือนปลาที่ยังต้องติดอยู่กับเหยื่อชิ้นเล็กๆ ก็คือราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พอเราไปไปไปหามาแล้วเราก็เกิดการผูกพันเกิดความยึดมั่นถือมั่นพอมันจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจกันแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้ว่าเราสามารถหาความสุขได้อีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ ลาบยศสารเสรยไม่ต้องใช้รูปเสียงกิน่นรสคือให้เรามาหัดนั่งสมาธิกันเช่นเมื่อคืนนี้เราส่งท้ายปีเก่าด้วยการสวรดมวนต์ข้างปีกันอันนี้ก็เป็นการฝึกวิธีทําใจของเราให้สงบแต่สวดเพียงครั้งเดียวไม่พอปีหนึ่งสวดครั้งเดียวมันไม่มีวันสงบเราต้องหาสวดทุกวันทุกคืนมีเวลาว่างก็นั่งสวดไป เมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิไปแล้วรับรองได้ว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, พอมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้เราสามารถอยู่คนเดียวได้และไม่ต้องพึ่งร่างกายของเราด้วยร่างกายของเราแก่เจ็บตายเราก็จะไม่เดือดร้อน นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมคือได้รับสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นความทุกข์เรากำลังหาความทุกข์กันเราไม่ได้หาความสุขกันเพราะพวกเรานี้ร้องโหมร้องไห้กันทุกคนเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราหามาได้กันเพราะสิ่งที่เราหาม่ได้มันไม่ถาวร น, นั่นเอง มันเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปแต่วันนี้พวกเราได้มาพบแสงสว่างแห่งธรรมได้พบว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเพียงแต่ทำใจของเราให้สงบเท่านั้นพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนใหเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบ พอเรานาเอาไปทำใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราเองเราจะไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปเราจะมีอัตตาหิอัตนาโอนาโถเป็นที่พึ่งไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ไม่ต้องกลับมาพึ่งร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราจะมีความสุขในโลกที่ไปตลอด ในสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรานำอาไปปฏิบัติเราจะได้พบกับบรลลงมาสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี่แหละคือมงคลของชีวิตอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ที่พวกเราสามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแเน้อมนําเอาไปปฏิบัติท่านสอนให้เราละการทําบาปทั้งปวงสอนให้เราทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพอมสอนให้เราทําใจให้สงบกําจัดความวุ่นวายที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไป ถ้าเราทำได้เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้พบกับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้พบกัน <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับเช่นเดียวกันดังนั้นในวันขึ้นปีใหมน่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมเอาแสงสว่างแห่งธรรม คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐเลอโลกนี้น้อมเอาไปศึกษาน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พวกเราทุกคนปรารถนาก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงขอยุติการแสดงไหวเพียงเท่านี้